ทุกวันในเวลาเช้าๆหลังจากที่เราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจากการหลับไหลเวลาเรารู้สึกตัวนะท่านผู้ฟังเส ม, มือนว่าเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ยังห ล, ยลหลับตาอยู่แต่รู้สึกตัวละหลับตาอยู่แต่รู้สึกตัวละพอเรารู้สึกตัวแล้วนะีมีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นนะืรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายของราตรี ลุกขึ้นล้ามาทำอะไรเราก็มาทำความเปลี่ยนในการที่จะเอากิเลสออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจพิจารณาหาสิ่งที่เป็นกุศลให้เพิ่มพูนสร้างสมขึ้นในใจคนที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนที่ตื่นอยู่ไม่ใช่เป็นคนหลับไหลเราก็จะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งหรือนอนตื่นอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทาความเปลี่ยนปรารบความเปลี่ยน ในเป็นผู้ที่กลัวต่อความเป็นาธาตุของกิเลสเป็นสิ่งดีในเวลาเช้าๆข้าพเจ้าจึงมาพบกับธรรมพุทฝั ง, งเพื่อที่จะนำธรรมะที่ข้าพเจ้าได้ประกาศเอาไว้การที่ข้าพเจ้ามาบอกต่อธรรมะที่บรุญเจ้าแสดงไวน้นี้ไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมนั่นจะเป็นการบอกต่อธรรมะเฉยในการบอกต่อธรรมะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการประกาศใหม่แต่เป็นการทําหน้าที่ของสมณะ ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้ายุดตัวอย่างก็ตามอธิบายก็ตามเนีพวกนี้อาจจะมีข้อเป็นข้อข้อข้อ1ข้อ2กระบวนการขั้นตอนการทํางานพวกนี้ไม่ได้บัญญัติใหม่แต่เป็นการขยายความเนสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังฟังแล้วมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งมากขึ้นก็ก็เป็นสิ่งดีและยังไม่เข้าใจยังมีสิ่งไหนที่ จะสามารถทําความเข้าใจให้มากขึ้นนายก็เขียนจดหมายมาถามได้โดยการส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้เลขที่1หมู 8, ่แปดตบลดอนไฮโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเราจะเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาใคร้ครวญพิจารณาก็ได้แต่คือหมายความว่าเราถามนะมันก็ต้องอาศัยเวลาบ้างในการที่จะต้องจดหมายมาถึงหรือว่าการตอบการอะไรแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ย กลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทซึ่งเป็นคำสอนของบุ ป, ปชาเพื่อที่จะมาอาใไร่ค ร, ครนแล้วกิเลส ท, ที่อยู่ในใจเนี่ยมันจะได้ละออกลอกออกล้างออกออกไปได้ทำไมเราต้องเอากิเลสออกจากใจทำไมเราจะต้องทำใจของเราให้มันดีให้มันสูงให้มันประเสริฐทำไมเราจะต้องทำจิตของเราให้มันอยู่ในอำนาจทำไมทำไมทำไมท่านฟังตอบคำถามนี้ได้ไหมทาไมก็ต้องถามอย่างนี้ว่า สมมติเรามีมีไฟอยู่กองหนึ่งมีคนเขาเอาไฟกองหนึ่งหรือเอาถ่านแดงๆเลยเนี่ยถ่านไฟมายื่นให้เราเราเห็นไฟลุกแดงๆอยู่คืออาจจะไม่ได้มีเปลวไฟแต่เห็นมันแดงๆอยู่มีควันอยู่หรืออาจจะไม่มีควันแต่มันเห็นความวูบ ว, วับวูบวาวของมันมันร้อนรุ่มอยู่เราจะไม่จับไม่เอาเลยเพราะว่านั่นจะเป็น ความรุ่มร้อนความเร่าร้อนนะถ้าเมื่อเราไปโดนปุ๊บมันจะโอ้ยเจ็บมากทันทีแตนะ่ถ้าไปฟังเคยโดนไฟลวกหรือว่าโดนน้ําร้อนลวกหรือว่าโดนเตารีดนาบอย่างเงี้ยนะข้าพเจ้าสมัยเด็กๆจาได้ยังระลึกได้อยู่เดินเดินไปเราไม่ระวังนะแขนเราไปโดนเตารีดโอ้ยเป็นรออยู่เป็นเดือนนะ่นะกว่าจะหายในะตรงที่ท้องแขนเนี่ยซึ่งเพราะความไม่ระวังของเราเราจึงเจ็บมาก นะเหมือนกันสิ่งไหนเป็นไฟเป็นความร้อนถ้าเรารับมาเรารับมานะเราจะชิบหายเองเราจะไหม้เองเราจะหมกไหม้ถึงความบันไลยถึงความชิบหายถึงความที่เราร้อนรุ่มร้อนถ้าเรารับไฟฐานไฟก้อนนั้นมาราคาโทสะโมหะในตะวันังมันยิ่งกว่าไฟก้อนนั้น้วยซ้ำทำไมเพราะยังก้อนกองไฟ นะเป็นกองไฟที่เกิดจากถ่านไม้ก็ตามหรือว่าถ่านหินหรือว่าเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมีเปลวก็ตามไม่มีเปลวก็ตามมีควันก็ตามไม่มีควันก็ตามเรายังพอเห็นมันได้เห็นมันเดียวยังรู้สึกถึงความร้อนพอรู้สึกถึงความร้อนแล้วเรารีบปล่อยมันได้นะบางทีมันมีเปลวเราอยู่ห่างๆได้ถ้าบางทีมันไม่มีเปลวเราเข้าไปใกล้มันเราเผลออย่างเช่นเตารีดอย่างนี้เป็นต้นนะ เป็นก้อนเหล็กที่ไม่มีเปลวไม่มีควันเราไม่รู้เลยว่ามันร้อนอยู่ไปโดนเข้าพวโอ้โหมันมีความเราร้อนเกิดขึ้นทันทีมีความไม่น่าสบายใจเกิดขึ้นทันทีเป็นลนักษณะเชื้อเพลิงเป็นความร้อนที่น่าอันตรายแต่ว่าถ้าเรารู้สึกแล้วเรายังปล่อยได้เรารู้สึกแล้วเรายังละได้เราไม่ไปจับแช่เตารีดตรงที่มัน ร, นร้อนอยู่ตลอดเวลาโดนนิดเดียวรีบเพ่นทันทีน้ำร้อนโดนลวกปุ๊บ รีบเพ่นทันทนะีรีบหาอะไรมาทาเพื่อได้ให้รักษาให้หายได้นั้นเรายังทําได้แต่ไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอันตรายด้วยความที่มันไม่มีเปลวไฟไม่มีควันให้เห็นอันนี้ก็ระวังยากแล้วเหมือนเตารีดที่ร้อนๆอนอยู่ก็ระวังยากนะเพราะเราเมองไม่เห็นความร้อนของมันนอกจากนี้ความที่ราคะโทสะโมหะคือไฟเนี่ยที่มันเผาเนี่ยนะ มันยังเผาในลักษณะที่คนถูกเผาก็ไม่รู้ตัวว่ า, วาตัวเองถูกเผาอยู่มันยิ่งอันตรายมากนะอย่างบ้านเราไฟไหม้อยู่คุณนั่งอยู่ในห้องสักห้องใดห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องนอนห้องพระหรือว่าห้องนั่งเล่นแต่ไฟไหม้อยู่ที่ท้ายบ้านบึ้มบึ้มบึ้มบ้ ม, บมอยู่ที่เราก็นั่งสบายใจเฉยเลยแล้วเราไม่รู้ตัวนี่คือลักษณะของไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ นอกจากไม่เห็นเปลวไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันป้องกันได้ยากแล้วมันไม่อยู่บึ้มๆอยู่เนี่ยเราถูกกัดกินถูกกัดเซาะถูกเคี้ยวกินอยู่เรายังไม่รู้นี่ความอันตรายของไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอันตรายมากถ้าใครเอาไฟนี้มาให้นะท่านผู้ฟังเราอย่าไปรับเลยอย่าไปรับมันออกมา เหมือนคนที่ยื่นถ่านแดงๆมาให้ในยยื่นเตารีดร้อนๆมาให้ยื่นตรงที่มันร้อนๆมาให้เราจะไปจับทำไมสิ่งที่เป็นไฟที่เขายื่นมาให้เรานะท่านผ้ฟังคืออะไรอะระฆัรโทสะโมหานี่แหละมันมาแล้วมันแฝงมาในรูปของอะไรมันแฝงมาในรูปของชื่อเสียงเกียรติยศแฝงมาในรูปของลาบสการะเสียงสรรเสริญเยินยอ แฝงมาในรูปของผลประโยชน์ระวังให้ดีถ้ามีใครเอาผลประโยชน์ชื่อเสียงลาบสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมาให้เราอันนั้นเหมือนเขาเอาไฟมาให้นะเหมือนเขาเอาฐานแดงๆแต่ว่าไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันมาให้เราเราจะรับสิ่งนั้นมาเนี่ยเราจะถึงความเร่าร้อนถึงความรุ่มร้อนเองถ้าเราไม่มีเครื่องรับ นั่นคือสมมุติเขาเอาถานไฟมาให้เนี่ยเขายื่นอะไรมาให้เขาก็ต้องมีคีมหนีบในการที่จะหยิบถ่านเพลิงก้อนนี้มาเราจะรับสิ่งนั้นมาเราอาจจะต้องมีถุงมือที่กันไฟหรือว่ามีภาชนะรับหรือว่ามีเครื่องมือในการที่จะรับสิ่งนั้นไม่ให้มันมาเป็นอันตรายกับเราเหมือนกันพระพรุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้นะพูดปรารถกับรพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นผู้ที่มีลาภสักระแล้วก็ต้องการทําสงฆ์ให้แตกกัน พระรูปเจาบอกว่าชื่อเสียงลาบสการะย่อมฆ่าคนถอยคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนผ่านคนที่เป็นคนชั่วจะถูกฆ่าจะถูกทำร้ายจะถูกทำให้ถึงความชิบหายด้วยชื่อเสียงเกียรตยิยศเสียงสรรเสริญเยินย่อนนั้นระวังให้ดีเปรีเหมือนกับคนที่ไม่มีสิ่งที่จะรับเชื้อเพลิงนั้น ไม่มีสิ่งที่จะรับก้อนฐานเปลือกนั้นคุณรับมาด้วยมือเปล่าๆมันก็จะเร่าร้อนรุ่มร้อนเหมือนกันจิตที่มีความชั่วมีความลามกรับสิ่งที่เป็นผลประโยชน์รับสิ่งที่เป็นชื่อเสียงสิ่งที่เป็นลาบสาการะเสียงสรรเสริญ เ, เ, เ, เยินยอถ้ารับมาแล้วแล้วคุณไม่มีธรรมะคุ้มครองใจนะมันจะเหมือนกับแม่มาอสดง แม่หมาสะดงเนี่ยคลอดลูกออกมาพราะว่าโอ้คิดว่าฉันจะดีใจละมีลูกแหมดีจังเลยดีใจแต่ลูกที่มันออกมาเนี่ยมันฆ่าแม่มัน <c oughs> เหมือนกับขุยไผ่ต้นไผ่นี่มันก็จะออกขุยขุยไผ่นี่ก็คือเหมือนกับเมล็ดของต้นไผ่ที่เอาไปปลูกได้เป็นเหมือนกับเมล็ดข้าวแต่ใหญ่กว่ามากเอาไปปลูกได้เอาไปเพาะเป็นต้นไผ่กอใหม่ขึ้นมาได้เป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ก็คือเหมือนกับลูกของต้นไผ่นั่นเอง นะเป็นผลของต้นไผ่นั่นเองเราคิดว่าเรามีลูกนะคือเจ้าต้นไผ่เนี่ยมีลูกออกมาที่มันจเจริญเติบ โ, โตได้ดีแนะ พ, พร่พันุออกต่อไปได้แต่ว่าลูกที่มันเกิดมาคุ้ยไผ่ที่มันเกิดมาเนี่ยฆ่ากอมันหรือเปรย์เหมือนสนิมสนิมเหล็กที่มันเกิดจากเหล็กเนี่ยมันทําให้เหล็กเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันกลับกัดเซาะเหล็กให้ยิ่งมีความผูกร่อนไม่ถึงความแข็งแรงได้ เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเรามีลาบสก arga เสียงเสริญเญยินยอเอาพูดง่ายๆนะผลประโยชน์นั่นแหละเอาพูดง่ายๆคาไปอีกนะคือเงินนั่นแหละถ้าเราไปรับเงินนั้นมาจะเป็นเงินที่ได้มาโดยทําก็ตามหรือจะเป็นเงินที่โกงเข้ามาก็ตามนะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ตามจะเป็นชื่อเสียงตําแหน่งอะไรก็ตามนะที่ถ้าเรารับมาแล้วแล้วถ้าเราไม่มีก็เรื่องป้องกัน มันจะเหมือนกับเทวทัตนะที่มีลาบสการะเกิดขึ้นก็ฆ่าคนถอยนั่นเองมันจะเหมือนกับคนที่รับเอาก้อนเหล็กแดงแดงรับเอาก้อนฐานเพลิงแดงๆมาด้วยมือเปล่ามือเราก็จะไหมไหมมือเรายังไม่พอยังไหมสิ่งอื่นเสื้อผ้าคนรับข้างก็มีปัญหาไปด้วยหมดยิ่งเพลิงนั้นก้อนใหญ่มากเท่าไหร่แต่มันไม่เห็นไงคือราคะโทสะโมหะมันแฝงมาทาให้เราไม่เห็นความไหม ความทำลายความชิบหายวายป่วงนี่มันยิ่งจะกินหวงกว้างยิ่งจะรุนแรงนี่คือสําหรับคนที่รับไม่เป็นคนที่เป็นคนเป็นคนผ่านเป็นคนถอยเป็นคนไม่ดีพอมีลาบสการะมีเสียงสรรเสริญเยินเยอเกิดขึ้นมีกลุ่มคนเป็นหมู่ใหญ่อันนี้พระรูปเจ้าเคยเตือนในเมื่อไหร่ก็ตามที่หมู่สง์เนี่ยนายกตัวอย่างถึงสงของตัวพระรงองค์เนี่แหละหมู่สง์ที่เป็นสาวกของพระองค์เนี่ย เป็นหมูใหญ่มีราบสัการะ ส, สรนเซิญเสียง ส, สรนเซินเยินยอมมากขึ้นก็จะมีอวาัารหานิยธรรมคือธรรมะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีเป็นไปได้เพราะนนัน้ราบสการะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อฆ่าตัวเรานะต้องระวังเราต้องระวังให้ดีเพรา ะ, ะนั้นมันเหมือนกับคนเอาเชื้อเพลิงถ่านเพลิงมาให้เราเราจะรับสิ่งนั้นได้ยังไงเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีลูก ของม้าอัสดงเกิดมาคิดว่าเออจะทําให้แพร่พันธุ์ได้จะทําให้มีครอบครัวใหญ่โตขึ้นมาได้แต่แม่มันกลับตายแม่ก็ตายเพราะลูกมันเกิดผลไม้เกิดบนต้นคิดว่าจะแพร่พันุ์ได้นะเป็นปา่าเป็นอะไรขึ้นมาแต่มันเกิดมาเพื่อฆ่าต้นมันปลีกล้วยนี่เห็นได้ชัดเจนเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเงินที่คุณรับมาสินบนที่คุณรับมา ผลประโยชน์ที่คุณรับมาชื่อเสียงเกยียรติยศเสียงสรรเสริญเยินยอลาบสักุลที่คุณรับมามันอาจจะเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่มีธรรมะในใจท่านผู้ฟังถ้าเราไม่มีเครื่องรับไม่มีธรรมะในใจชิบหายแน่นอนแล้วไอ้ความชั่วช้าที่มันจะเกิดขึ้นความไม่ทําลายความเร่าร้อนความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นมันยิ่งจะกินวงกว้างถ้าเผื่อว่า ไฟกองนั้นเป็นไฟกองยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ผลประโยชน์นั้นมากยิ่งเท่าไหร่ยิ่งจะทําลายได้มากขึ้นเท่านั้นผลประโยชน์หรือว่าศินบนหรือว่าชื่อเสียงนั้นยิ่งมากเท่าไหร่ถ้าคนที่รับมานะเป็นคนถอยเป็นคนพานเป็นคนไม่ดีการทําลายยิ่งจะเป็นวงกว้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะรับสิ่งนี้ได้จะรับตําแหน่งรับผลประโยชน์ รับเสียงสรรเสริญเย น, นยอลาบสการะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีคุ ณ, ณธรรมเพราะไม่งั้นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำลายตัวคุณเองคุ ณ, ณธรรมในที่นี้ก็คือจิตใจเราต้องมีธรรมะนั่นเองถ้าจิตใจเรามีธรรมะเหมือนกับคุณมีถุงมือกันไฟหรือคุณมีคีมที่สําหรับคีปไอ้ก้อนเหล็กที่มันแดงๆเนี่ยเอามาใช้จุดไฟได้เป็นคบเพลิงมองเห็นแสงสว่างในที่มืดได้ มาทาประโยชน์ในการหุงหาอาหารได้แต่ว่าไม่ถูกต้องอันตรายที่จะเกิดจากสิ่งนั้นเราจะไม่ได้รับอันตรายจากราบสการะเสียงสรรเสริญเยนยอผลประโยชน์เงินหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีธรรมะในใจธรรมะจะเป็นตัวป้องกันจิตของเราไม่ให้เจ้าราคะโทสะโมหะที่เปรียบเหมือนไฟ ที่มองไม่เห็นเปลวมองไม่เห็นควันมีความเร้าร้อนรุ่มร้อนมีความแผดเผามันมาเผาตัวเผาใจเราได้คนที่เป็นอย่างนี้คื อ, อจิตใจที่ไกลาจากกิเลสไกลาจากกิเลสนะท่านผู้ฟังกิเลสคือไฟมันมากับอะไรมันมากับภาษาภาษามาในรูปไหนมาในรูปผลประโยชน์นี่แหละมาในรูปอาจจะเป็นรูปอุดมการณ์รูปผลประโยชน์เงินทองตาแหน่งลาบสการะ เสียงสรรเสริเญเยินยอเข า, ยก ย, ย, างงยกย่องคุณอย่างนั้นยกย่องคุณอย่างนี้พวกนี้คือภาษาที่มากระทบทางศินมากระทบแล้วนี่แหละมันแฝงมาราคาโทสะโมหะมันแฝงไฟที่ไม่เห็นเปลวไฟที่ไม่เห็นควันยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งรุ่มร้อนยิ่งเร่าร้อนมากขึ้นตรานั้นแต่มองไม่เห็นนะถูกไม่อยู่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ํามันร้ายกายขนาดนี้ถ้าเรารับมาแล้วเราไม่มีจิตใจไม่มีธรรมะ เป็นเครื่องป้องกันจิตแล้วก็จิตของเราก็จะถูกเผาด้วยสิ่งนั้นถูกเผาอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ําการแผดเผานี้ก็ยิ่งกินบงกว้างถ้าไฟนี้มันใหญ่เท่าไหร่ก็ตามยิ่งจะมีผลกระทบเป็นหลายหลายปีแตนะถ้าคนที่รับมาผลประโยชน์ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตของคนนั้นคนที่รับมานั้นเป็นจิตที่มีธรรมะแล้วก็ไอ้ความลูกรามจะไม่มีเพราะเขาจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ราคะจะไม่เสียดแทงจิตของเขา โทสะโมหะก็ตามจะไม่เสียดแทงก็คือใจเขาจะไม่ถูกเผารนถูกไม่ถูกเร่าร้อนทําให้รุ่มร้อนเร่าร้อนในการกระทําก็จะไม่เป็นไปในทางเบียดเบียนกับคนอื่นๆรั้นเวลาที่เราทํางานก็ตามเราเห็นสิ่งต่างๆในโลกที่เกิดขึ้นอยู่นี่นะท่านผู้ฟังมันเป็นภาษาทั้งสิน้นภาษาเหล่านี้แหละมันมีไฟคือราคะโทสะโมหะแฝงมาอยู่เราจะทํายังไงให้สิ่งที่มากระทบเนี่ย เหมือนเขาคว่างคว่างก้อนไฟมาเขาคว่างลูกไฟมาแล้วเราจะต้องหลบเราจะต้องมีเครื่องป้องกันไม่ให้ไฟนั้นมันมาโดนจิตของเราได้ไม่ให้ไฟนั้นมันมาแผดเผาจิตของเราไม่ให้ไฟนั้นมันมาโดนจิตของเราได้ให้รักษาจิตด้วยการที่ทำให้จิตนั้นมีธรรมะนั่นเองจิต ท, ที่มีธรรมะจิต ท, ที่มีความกลัวความรายตบะเช่นหิริอต ะ, ะเป็นต้น จิตที่มีศีลเป็นต้นจิตที่มีความแน่วแน่จิตที่มีความตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นเนี่ยจะเป็นจิตที่สามารถที่จะป้องกันไฟตรงนี้ได้เป็นจิตที่จะเคลียรไอเจ้าสเก็ดไฟที่มันจะมาโดนเราเนี่ยให้ออกจากตัวเราได้เป็นเหมือนก็เรื่องมือที่เราจะรับไอเจ้าผัสสะที่มาเนี่ยไม่ให้กิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมาอยู่ในใจของเราเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนั่นเอง อย่างคำว่าอรหันอรันเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะมีผัสสะอยู่ไม่ใช่ว่ากิเลสไม่เกิดเกิดอยู่ไม่ใช่ว่ากิเลสตายกิเลสเป็นของเกิดดับอยู่แล้วเดี๋ยมันก็เกิดมันก็ดับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดมันก็ไกลจากจิตของท่านถึงแม้ว่ามันจะดับมันก็ไม่มีปัญหามันดับไปถึงแม้ว่ามันจะเกิดมันก็ไม่ได้ทําจิตให้รุ่มร้อนเร่าร้อนถูกแผดเผาไปตามการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเจ้าราคาโทสะโมหะ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเกิดของ ภ, าภาัสสะผัสสมาทุกวันท่านผฟังทุกรูปแบบตลอดเวลาฝันก็ไม่เว้นห้องน้ำมันก็ยังไปด้วยกับเรามันมาที่จะบุกคุกคามหยิบยื่นไฟมาให้อยู่ตลอดเราเป็นผู้ที่รับภัสสะอยู่ตลอดเป็นสัตว์เนี่ยมันรับภัสษะอยู่แล้วมันจะทำยังไงล่ะ้เราเกิดมามีตาเนี่ยนะมีหูจมูกลิ้นกายใจ เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ที่รับผัสสะเป็นสัตว์โลกอยู่ในสังสารวัตเรามีไฟเนี่ยหมุนวนอยู่ตลอดเวลาเราจึงจําเป็นที่จะต้องทํำยังไงล่ะรักษาตัวยังไงล่ะเนีย่ยไม่ให้ไฟที่มันมาอยู่ตลอดทุกขัางทุกเวลาเนี่ยมันทําให้เราได้รับความเตื่นร้อนเร่าร้อ น, รอนเราจะทํำยังไงนั้นต้องมีธรรมะในใจท่านฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างตั้งแต่ความอดทนตั้งแต่ความเมตตา ตั้งแต่เรื่องของศีลตั้งแต่เรื่องของสมาธิไปจนถึงโพชงเอาง่ายๆอย่างเรื่องของสติก็ได้หรือว่าแม้แต่จะเป็นเรื่องของการทำความเพียรหรือความเป็นคนซื่อสัตย์นะพวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะรักษาจิตของเราทรามบุฟังจำไว้ให้ดีเลยนะถ้าใครเขาจะหยิบยื่นผลประโยชน์สักอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้เราจะเป็นเงินก็ตามจะเป็นชื่อเสียงก็ตาม จะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานก็ตามจะเป็นเสียงสรรเสริญเยือนยอก็ตามเราต้องระวังนั่นคือไฟไฟที่มันจะแฝงมาในรูปของราคะโทสะโมหะไฟที่เราจะรับมานั้นเราจะรับยังไงล่ะเราจะรับมันเหรองั้นเราก็ไม่รับละกันเราก็โยนโยนมันทิ้งไปเราก็ไม่เอาอันนั้นมันบางทีมันขัดไม่ได้บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เพราะมันมีผัสสะมันแม้อันนี้มันก็อันหนึ่งมันแม่ตรงนี้มันก็อีกตรงหนึ่ง แตเรื่องผลประโยชน์ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งไฟกองใหญ่มากเท่านั้นเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าคุณคุณสมบัติไม่พอจิตใจคุณไม่มีธรรมะพอที่จะจัดการกับสิ่งนั้นได้ยิ่งจะถูกไหมยิ่งจะถูกเผายิ่งจะถูกทําให้ไหมเกรี่ยมจะทําให้มีความเ <The S 1> ดือดร้อนแผดเผายิ่งจะแผลเป็นหวงกว้างเพราะนนั้เราจึงต้องจิตใจต้องมีธรรมะที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมที่สูงขึ้นไปยิ่งคนที่ต้องรักษาผลประโยชน์มาก มีเงินมากมีอำนาจมากมีตำแหน่งสูงมีชื่อเสียงใหญ่โตยิ่งต้องมีธรรมะที่จะต้องรักษาจิตตรงนี้ถ้าเรามีธรรมะรักษาจิตตรงนี้รักษาจิตให้ไกลาจากผัสสะตรงนี้ไม่ให้ไฟมันมาโดนจิตเนี่ยจิตของบุคคลที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็จะสามารถที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นได้สามารถที่จะรักษาจัดการคุ้มครองป้องกันโดยทรรได้ พระราของเราเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆชื่อเสียงมีไหมโอ้โหเขาลือไปกระชอนเทื้อกชั่วชมบุทวีบลาบสการะเสียงเซืนเซื่อนเินยอไม่ต้องห่วงปัะจัยสีนี่ไม่มีอดที่อยู่อาศัยรักษาโรคที่วนอาหารบินต บ, บัดต่างๆนะไม่มีอดนะตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นถึงชนชั้นกษัตริย์มีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรออยู่น่ะไม่มีอดถ้าจิตใจของบุคคล น, นั้นไม่มีธรรมะนะเอาอยกตัวอย่างพระเทวทัต หรือเยอะตัวอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่มีธรรมะในใจแล้ว ก, ก็ถูกสิ่งนั้นเผาเหมือนกับแม่มาสดงคิดว่าเรามีลูกแล้วเราจะสบายใจดีแต่ลูกมันนั่นแหละฆ่าตัวแม่มันหรือปลีกล้วยออกมาคิดว่าเออจะได้แพร่พันธ์สบายละแต่ปลีกล้วยนั่นแหละฆ่าต้นกล้วยหรือว่ากุ้ยภัยออกมาเพื่อที่จะคิดว่าจะแพร่พันธ์ให้เจ้าต้นไผ่ก้อนนี้มันออกมาเพื่อฆ่าต้นไผ่นั่นแหละหรือเหมือนกับ ผลไม้ที่ออกมาจากต้นคิดว่าจะทําเป็นป่าเป็นมีเมล็ดพันธุ์มากขึ้นลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นโตขึ้นมาได้ก็ลูกมันนั่นแหละฆ่าต้นมันถ้าจิตใจเราเป็นคนกักกระเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมเป็นคนชั่วเป็นคนถอยเป็นคนผานมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนั้นเรามีตัวอย่างให้เห็นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลและในสมัยต่อๆมาก็ยังมีให้เห็นปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าไป แมีลาบสักการะมากมายแม้แต่ท่านพระสารีบุตรพระหมหาโมกขละนะมีความสามารถมีชื่อเสียงพระศิวลีนั้นเป็นผู้ร่ํารวยด้วยลาบปัจจัยสี่แต่พระหมหากจานะเป็นผู้ที่เป็นที่รักของผู้อื่นพวกนี้บุคคลเหล่านี้ท่านก็มีปัจจัยสี่เกิดขึ้นมีผลประโยชน์มีลาบสักการะเสียงสนเสริญเยินยอกเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทําร้ายจิตของท่าน บุคคลที่อยู่รอบข้างทุกคนก็ได้รับประโยชน์ได้รับความเย็นใจได้รับความสบายใจได้รับประโยชน์จากลาบสการะเสียงสรรเสริญเ ย, ยินยอหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นแล้วธรรมะอะไรที่จะมาช่วยรับไอ้เจ้าไฟคือราคาโทสะโมหะนี้ได้ธรรมะอะไรที่จะเป็นเหมือนน้ําที่มาชโลมหล่อเลี้ยงให้ใจเราเย็นป้องกันไม่ให้เจ้าราคาโทสะโมหะที่มันจะมากระทบให้ไกลจาก จิตของเราไปได้ธรรมะที่พระุทธเจ้าสอนนี่แหละธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่แหละศีล น, นี่แหละทานนี่แหละภาวนานี่แหละทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเรียมักมีองค์แปเอาข้อไหนทําข้อไหนได้ก่อนทําเลยฮีรีโอตปาก็ตามวิริยะความเพียรศรัทธาปัญญาทําได้อย่างศีลสติสมาธิเอามาันทุกอย่างเพื่อที่จะ รักษาจิตของเราให้มีความเย็นใจสบายใจเราอาจจะรักษาได้ในขณะนี้อ่ผลประโยชน์ระดับนี้ภาษาระดับนี้ฉันรักษาได้ฉันทําได้แต่ถ้ามากขึ้นไปกว่านี้ฉันทําไม่ได้ละโอ้จะเริ่มจิตแตกและจิตเริ่มมีราคะโทสะโมหะเผารน้นรุ่มร้อนร้อนรอนละเราต้องหยุดตรงนั้นถ้าเราพัฒนาจิตของเราขึ้นไปไม่ได้แต่คุณก็รับสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เกินกว่านั้นไม่ได้คุณทําได้แค่นี้ แต่ถ้าคุณจะขึ้นไปให้สูงขึ้นนะมีการมีชื่อเสียงมากขึ้นมีลาภสกสาระมากขึ้นอะไรหรือว่าผลประโยชน์มากขึ้นจิตเราก็ต้องสูงตามในเรื่องของคุณตรรมต้องสูงขึ้นไปตามไม่งั้นเราจะชิบหายนะระวังให้ดีอย่าประมาทอย่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีผลไม้ที่เกิดกับต้นไม้มันอาจจะฆ่าต้นก็ได้ปลีกล้วยที่เกิดกับต้นกลย้ยมันอาจจะฆ่าต้นกุ้ยก็ได้เราจึงต้องระวัง ไม่ให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นภาษาที่เกิดขึ้นจะแปลงเป็นกิเลสที่จะมาทำร้ายจิตใจของเรามันเกิดขึ้นแน่ในใจของพระอรหัน์มีภาษาก็ต้องมีกิเลสเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ป้องกันจิตของท่านเอาไว้นั่นคือสตินั่นเองสติเป็นเรื่องรักษาสิทธิ์เมฝังคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เถอะนต่พุทธเจ้าพูดไว้เยอะแยะไปหมดโพธิปัจจยธรรม37ไล่ลงมาอริยมารมีองค์8 รวมเหลือเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดย่อลงไปอีกเราก็สมถ า, าวิปัสนาเอาให้เหลืออย่างเดียวก็ต้องสตินี่แหละสติจะรักษาจิตจิตอย่างเดียวนี่แหละที่ต้องรักษาถ้ารักษาจิตได้แล้วด้วยสติกายก็ชื่อว่าได้รับการรักษาด้วยวาจาก็ชื่อว่าได้รับการรักษาด้วยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงมาภาษาะในรูปไหนก็ตามถ้าเราไม่มีสติคอยรักษาจิตเราเปิดเปิงเลยนะ ไม่หมดเลยใจนี่โอ้ยเราร้อนรุ่มร้อนวันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบเราต้องสู้ท่านผู้ฟังสู้ด้วยความอดทนอดทนเป็นธรรมะที่จะรักษาให้ราคาโทสาโมะมันไกลจากใจของเราไฟนี่มันจะเผาล่นจิตใจของเราไม่ได้สู้ด้วยการไม่เบียดเบีย น, นสู้ด้วยมีความมีเมตตาจิตให้มีความปรารถนาไว้ให้เขาเป็นคนดี ปรารถนาให้เขาเปลี่ยนจากคนที่ไม่ดีในเขาเป็นคนดีขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีความรักใคร่ดูซึ่งกันและกันเป็นผู้ที่รักษาธรรมะในจิตของเราด้วยการรักษาสติไวสติเรารักษาจิตกายวาจาก็ชื่อว่าได้รับการรักษาด้วยรักษาจิตด้วยธรรมะป้องกันไฟที่มีความร้ายกาดไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันไม่อยู่ก็ไม่รู้นั่นคือไฟคือราคะไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะให้ได้อย่าไปคิดว่าผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั้นเงินทองลาบสการะเสียงสรรเสริญมันอาจจะดีกับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นมันอาจจะทำร้ายเราก็ได้ถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอถ้าจิตใจเรามีธรรมะไม่พอมีคุณธรรมจริยธรรมไม่พอแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีคุณธรรมจริยธรรมเราควบคุมจิตของเราได้ต้องฉลาดในมาจจรจิตของตนไฟที่มันเกิดขึ้นนั้นเราจะปลอดภัยจากมันได้ ในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุลโนจากวัดบาด่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในะวันพรุ่งนี้เจนิพ่พร